การศึกษาพระธรรมเนี่ยนะที่ศึกษามาแต่อย่างต่อเนื่องโดยลําดับถ้ามีผู้ตั้งคําถามว่าจากการเรียนอุทานที่เราเรียนไปหลายสิบสูตรด้วยกันเนี่ยนะเราได้อะไรกันบ้างคือพระพุทธเจ้าเนี่ยเป็นผู้สอนประโยชน์ในโลกทั้งสอนประโยชน์สามอย่างใช่ไหมประโยชน์โลกนี้ประโยชน์โลกหน้าและประโยชน์อย่างยิ่ง เราก็มาถามดูว่าที่เราฟังทนทนฟังอยู่ตั้งนา้าตั้งเมษามาเรื่อยมาจนถึงบัดเน่เน่โดยชั่วโมงนี้ก็โอ้ห้าสิบชั่วโมงแล้วมั้นะถือว่าไม่น้อยเลยมากตั้งคาถามว่าเราได้อะไรบ้างนะนะประโยชน์โลกนี้ประโยชน์โลกหน้าแล้วก็ประโยชน์อย่างยิ่งโลกนี้เราได้ไหมคือความสบายใจเป็นต้น ถ้าหากว่าได้ความสบายใจได้ปีติและปราโมทอันนี้ก็ชื่อว่าประโยชน์โลกนี้ถามว่าประโยชน์โลกหน้า น, นะนะแล้ก็คือว่าปลูกฝังศรัทธา<ม>เป็นต้นเอาไว้ในพระศาสนาขณะเดียวกันก็เพื่อเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้สมควรได้รับประโยชน์อย่างยิ่งคําสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยนะท่านบอกว่าเป็นบ่อแห่งรัตนะ รัตนะคืออริยทรัพย์ที่ยิ่งใหญ่มากรัตนะเหล่านั้นอย่างที่เมื่อวานได้พูดไปแล้วก็คือโพธิปัจจะธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยนะเป็นที่เกิดแห่งรัตนะคือโพธิปัจจะธรรมมีสติปัญญาสัมมาปาัญญาอิทธิบาทอินทร์ศีลพระโพชฌงค์องค์มรตอันนี้เป็นรัตนะที่มีอยู่ในพระศาสนานี้ในก่อนที่จะได้รัตนะทั้ง37ประการ อริยทรัพย์เบื้องต้นท่านเรียกว่าธนเจ็ดเนี่ยนะธ น, ะ น, ะนะคือทรัพย์ที่เป็นอริยทรัพย์มีอยู่เจประการเราก็มาถามดูว่าเราเรียนอุทานเป็นต้นเนี่ยนะคือไม่ได้เรียนคำพีเดียวนะก็เรียนหลายอย่างเราเรียนอุทานเนี่ยนะเราเลื่อมใสในพระพุทธเจ้าเพิ่มขึ้นไหมนะเพิ่มในส่วนใดเพิ่มว่าอย่างไรเนี่ยนะก็ตั้งคําถาม ทีนี้เราเห็นสวากขาตธรรมไหมว่าพระธรรมที่พระพุทธเจ้าสอนเป็นธรรมะที่นำออกจากทุกสังแกตดูคำอุทานที่พระองค์ปรารพพระอราหันต์ทั้งหลายปรารพถึงผู้ที่เข้าถึงความสุขนะนั่นความเป็นธรรมดีของพระธรรมความที่ทำเป็นธรรมดีของพระธรรมก็คือเป็นธรรมที่สอนเพื่อนำออกจากทุก ภาษา v o ทั้งหลายมีพระษาริบุตรหรือแม้กระทั่งพระโสณะเมื่อกี้พระโสณะเนี่ยท่านก็เข้าถึงความสุขดังนั้นการศึกษาพระธรรมที่ถูกต้องก็คือศึกษาเพื่อความสุขก็เนื่องจากเรารังเกียจต่อความทุกข์ก็มาเจริญกุศลธรรมมาเรียนท่าธรรมเพื่อให้ประสบความสุขอย่างที่ว่านะความทุกข์ในโลกนี้นังที่กล่าวว่าก็เกิดจากการไม่มีศรัทธาไม่มีศีลไม่มีสุตตะไม่มีจาคะไม่มีปัญญา อเป็นความทุกข์ทุกทางจิตใจอ่ะนะคนที่ไม่มีศรัทธาเนี่ยนะจิตใจนี้เป็นทุกข์นะคนที่ไม่มีศีลจิตใจก็เป็นทุกข์คนที่ไม่มีสุตะจิตใจก็เป็นทุกข์คนที่ไม่มีจาระยะใจก็เป็นทุกข์คนที่ไม่มีปัญญายิ่งทุกข์มากที่สุดเลยอะไรจะทุกข์เท่ากับคิดอะไรนะมีปัญหาแต่ขาทางแก้ไม่ได้อันนี้คือความทุกข์ทุกจริงๆ ทุกของคนจนเหมือนนเถอะจนทางอริยสัพเพเนี่ยนะจนศรัทธาจนฮิริโอตปะจนสุตะจาฆะปัญญาเราก็มาดูว่าที่เราฟังธรรมหลายๆครั้งอ่านพระธรรมหลายหลายครั้ ง, อ, อ, รงอริยสัพย์คือศรัทธาเราเพิ่มไหมเพิ่มในพระพุทธเจ้าเพิ่มแค่ไหนเพิ่มจนใกล้จะพอหรือยังใกล้จะเต็มเปี่ยมว่าเรามีศรัทธามั่นคงไ ม, นไม่วันไม่หวั่นไหวพูดถึงพระพุทธเจ้าเมื่อไหร่ก็ปีตินั่นเองพูดโทพูดโทษนะแบบอะไรสมเทศบัณฑิตใช่ไหม ท่านทำกุศลไปท่านก็เลิกในใจถึงพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าถ้าพูดแบบภาษาไทยบอกพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าอยู่ในใจนะมันเราก็ก็ละเลิกถึงพระพุทธเจ้าไปบ่อยๆทุกครั้งที่ที่ทำอะไรนะนะแต่คนบาลีคนแขกเขาเรียกว่าพุทโธพุทโธของเราบอกพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าอยู่ในใจของเราอยู่เสมอศาสนาอื่นก็ยังอุทานแบบนั้นเลยใช่ไหมแต่คนละอย่างก็ตัดพุทธะออกไป แต่ของเราเอาพระพุทธเจ้าโดยเฉพาะการเรียนอุทานเนี่ยนะเราจะได้เห็นพระพุทธเจ้ามากขึ้นว่าสิ่งที่พระพุทธเจ้าดีใจนี่ดีใจเรื่องอะไรนะเพราะว่าอุทานเนี่ยเกิดจากโสมนัสใช่มโสมนัสที่ประกอบด้วยปัญญาว่าพระองค์ดีใจอย่างไรที่สังเกตเห็นชัดคือพระองค์ดีใจที่สาวกทั้งหลายตรัสรู้ธรรมเป็นที่พ้นทุกตรัสรู้ธรรมที่ดับทุก ท่านดีใจกับพระสาวกทั้งหลายเพราะพระพุทธเจ้าเป็นผู้สมบูรณ์ด้วยศรัทธาพระองค์นี้มีศรัทธาต่อพระพุทธเจ้ามีศรัทธาต่อพระธรรมและพระองค์ก็เป็นผู้มีศรัทธาต่อพระสงฆ์ทั้งหลายผู้ที่ยกย่องพระสงฆ์เท่ากับพระพุทธเจ้าไม่มีพระพุทธเจ้าเป็นผู้ที่ยกย่องพระสงฆ์มากยกย่องคุณตามเป็นจริงของพระสารีบุตร ด้วยพระสูตรหลายสูตรด้วยกันยกย่องพระคุณตามความเป็นจริงของพระมหาโมคลานะยกย่องคุณตามความเป็นจริงของพระมหากสปะยกย่องคุณตามเป็นจริงของพระอนนท์ของพระมหากัจจยนะเป็นต้นแม้กระทั่งพระกันขาเรวัตพระองค์เป็นผู้ยกย่องพระสาวกทั้งหลายด้วยความเป็นผู้เลิศในด้านต่างๆอันนี้คือความที่พระองค์เป็นผู้ที่มีศรัทธาเลื่อมใส เั้าพระพุทธเจ้ายัางเลื่อมสายในพระอริยสาวกเหล่านั้นแล้วของเราศรัทธาในพระอริยสาวกเหล่านั้นเราเพิ่มไหมเราก็ตั้งคําถามดูพระสาวกเหล่านั้นท่านตรัสรู้ธรรมและพ้นทุกข์เราเลื่อมสายเพิ่มในคําสอนไหมถ้าไม่เลื่อมสายเพิ่มเป็นยังไงรู้ไหมมันก็เออยังยังงงๆอยู่เหมือนกันนี่คืออะไร ย, ยังไม่ค่อยจะเข้าใจอ่ะนะมันคืออะไรบอกเกือบเกือบเข้าใจแล้วแต่ว่ายังไม่เข้าใจว่าือนกัน ลักษณะนั้นแหะก็เรียกว่าศรัทธาไม่มากแต่ว่าศรัทธาในพระรัตนตรัยเนี่ยนะคนที่เลื่อมใสในพระรัตนตรัยไม่มีคําว่าเกินมีแต่ขาด น, นะเพราะว่าพระรัตนตรายเนี่ยเป็นสิ่งที่มีคุณหาประมาณไม่ได้ผู้ที่เลื่อมใสในพระพุทธเจ้าเกินไปก็ไม่มีในพระธรรมเกินไปในพระสงฆ์เกินไปก็ไม่มีเดี๋ยนะ เพราะคำว่าเลื่อมสายหมายถึงความผ่องใสคนที่เลื่อมสายในพระพุทธเจ้าได้เต็มที่พระธรรมได้เต็มที่พระสงฆ์ได้เต็มที่เขาต้องเป็นผู้มีปัญญามากนะถ้าไม่มีปัญญาจริงๆอ่ะศรัทธาพระพุทธเจ้าไม่ถูกหรอกถ้าไม่มีปัญญาอย่างแท้จริงก็เลื่อมสายในพระธรรมและพระสงฆ์ไม่ตรงนะนะเพราะว่าพระพุทธเจ้าเป็นบุคคลที่ยากที่จะเข้าพบได้ ยากที่จะคุ้นเคยกับพระองค์ผู้ที่คุ้นเคยกับพระพุทธเจ้าคือผู้ที่บรรลุธรรมของพระพุทธเจ้าจึงชื่อว่าคุ้นเคยกับพระพุทธเจ้า jard. ถ้าเรายังไม่เห็นธรรมของพระองค์เราบอกว่าเราคุ้นเคยกับพระองค์ไม่ได้เหนะไม่รู้ว่าเราจะปลดตัวเองออกจากพระพุทธเจ้าเมื่อไหร่พระพุทธเจ้าปลดเราไหมไม่แต่ของเราเองเนี่นยนะจะถอดตัวเองออกจากความเลื่อมใสในพระรัตนตรายเมื่อไหร่อีกเรื่องหนึ่ง มันทํำยังไงที่กุศลกุศลธรรมทั้งหลายคือศรัทธาเป็นต้นของเราเพิ่มการศึกษาพระธรรมเนี่ยนะตอนหลังมานี่ก็หวังใจโดยเฉพาะส่วนตัวเนี่ยตั้งเอาไว้เลยว่าการศึกษาพระธรรมเนี่ยอย่างเช่นศึกษาอุทานเนี่ยศรัทธาในพระธรรมตรายเราต้องเพิ่มขึ้นถ้าไม่เพิ่มขึ้นแสดงว่าเสียหาย น, นะแปลเป็นภาษาไทยว่าเกือบชิบหายว่างัน้นนะทำไมอ่ะ ก็พระพุทธเจ้ามีคุณขนาดนี้เรายังไม่เลื่อมใสคำสอนที่สอนให้นำออกจากทุกขนาดนี้เรายังไม่ศรัท ธ, ธาพระสงค์ที่ปฏิบัติถึงความพ้นทุกขนาดนี้ใจเรายังง้อยๆอยู่ยังไงมันก็แปลว่าอะไรก็แปลว่าโโหโจนจริงๆเลยนะโจนอริยทรัพย์คือศรัท ธ, ธาทีนี้แล้วศีลล่ะศีลพระอริยพระพุทธเจ้าท่านพ้นทุ ก, กเพราะศีลสมาธิและปัญญา คำที่พระพุทธเจ้าสอนทั้งหมดก็สอนให้เห็นศีลสมาธิและปัญญาพระสงค์ก็คือผู้สมบูรณ์ด้วยศีลสมาธิและปัญญาเราเห็นศีลสมาธิปัญญาที่เป็นข้อปฏิบัตินำออกจากทุกในชีวิตเป็นจริงแค่ไหนเนี่ยนะในชีวิตที่เป็นจริงนะจากอาศัยการฟังจากอาศัยการศึกษาพระธรรมคาสอนกุศลธรรมเหล่านี้เราเพิ่มพูนขนาดไหนที่จะนาเราออกจากทุกเนี่ยนะ มันอันนั้นก็เป็นลักษณะอริยทรัพย์นะอยากให้อริยทรัพย์เหล่านี้เพิ่มพูนกันจริงๆเพราะผู้ที่มีทรัพย์ก็ไม่ไม่เดือดร้อนนะไม่เดือดร้อนไม่ตกไปในอบายทุคติวินิบาตแต่สัตว์ทั้งหลายที่ตกไปสู่อบายทุคติวินิบาตเขาไม่มีอริยทรัพย์เลยไม่มีศรัทธาไม่มีศีลไม่มีสุตตะไม่มีจาระะไม่มีปัญญาฮั้นเราเรียนพระธรรมเนี่ยนะอย่าอย่าเน้นเรียนให้จบเล่มจบตัวหนังสือจบสูตร แต่ว่าอยากให้เน้ น, เ น, นเน้นเรียนเพื่อเพิ่มพูนศรัทธาเพิ่มพูนศีลเพิ่มพูนหิริโอตตะเพิ่มพูนสุตะเพิ่มพูนจาระเพิ่มพูนปัญญาเพิ่มพูนสติปทานเพิ่มพูนสัมมาปทานอิทิบาทอินทรียีพละพ่อจงและองค์มรรคเพื่อทําให้แจ้งอมตะนิพพานเพื่อแจ้งธรรมะที่สงบระงับดับวัตถทุกขโดยประการทั้งปวงอันนั้นคือสาระที่เราพึงได้จากพระพุทธเจ้า ช่วงหลังมาก็มาคิดว่าพระพุทธเจ้านิทิ้งมรดกไว้เยอะเนี่ยนะมรดกทางธรรมเนี่ยนะมรดกคืออริยทรัพย์เนี่ยทิ้งไว้เยอะมากเอเราจะเอาเราจะเอาอริยทรัพย์ของพระองค์ไปใช้ได้อย่างไรนาะยโยมไปช่วยช่วยคิดดูน ะ, ะอาจจะเล่ามาเล่าให้ฟังบ้างว่าจะทํำยังไงจะมีกระว่าพระพุทธเจ้ามีศรัทธ า, าเยอะมากเราจะขอเอาศรัทธาของพระองค์ไปต่อได้อย่างไรพระพุทธเจ้ามีศีลเยอะมากเราขอแบ่งเอาศีลของพระองค์มาได้อย่างไร พระพุทธเจ้ามีหิริโอต ป, ปะมากเราขอแบ่งหิริโอต ป, ปะมาได้อย่างไรพระพุทธเจ้าเป็นปะหูสูตรที่ร่ำเรียนมากทั้งโดยปริยัตและโดยปฏิเวทโดยการพิจารณามากเราทำยังไงเราจะได้ไปบ้างพระองค์นี้เป็นผู้ที่เสียสละจากะทั้งวัตถุภายนอกและก็กิเลสภายในเนี่ยนะเราทำยังไงบ้างเราจะเอาอย่างนั้นได้บ้างพระองค์เป็นผู้มีทรัพย์คือปัญญามีแสงสว่างคือปัญญาเนี่ย หาที่สุดไม่ได้ทำยังไงเราจะแบ่งแสงสว่างมาให้สว่างบ้างในโลกที่มืดมิดเนี่ยนะมืดไม่มืดก็ไม่รู้ลืมตาเห็นแต่สีแต่ไม่เห็นอริยสัจเนี่ยมันมืดขนาดนั้นก็แล้วกันนี่ต่อไปทรัพย์ของพระองค์คือสติปัฏฐานก็เยอะเนี่ยนะกายานุปัสสนาก็มีตั้งสิบสี่บัพพาเวทนาเก้าจิตสิหกธรรมะตั้งห้าบัพพาแต่และบัพพะก็ขยายออกไปอีกทายังไงจะขออริยทรัพย์คือสติปัฏฐานจากพระองค์ได้บ้าง แบ่งทรัพย์เหล่านี้จากพระองค์คือสติปทานแบ่งทรัพย์คือสมัมมาติปทานมาจากพระองค์แบ่งทรงัพย์คืออิทธิบาทมาจากพระองค์แบ่งทรัพย์คืออินทรีย์ทั้ง5จากพระองค์แบ่งทรัพย์คือพละหแบ่งทรัพย์คือโพธิ์ชงแบ่งทรัพย์คืออารยมรักอันประกอบไปด้วยองค์8จนแทงตลอดเรียกว่าจนมั่งคั่งที่สุดคือทําให้แจ้งท่นนิพพานนะทํำยังไงเราจะแบ่งของพระองค์มาได้อย่างนั้นเราก็มาค้นดูนะว่าพระธรรมนี่เหมือนละ ประิยะัติธรรมเหมือนลายแทงที่บอกขุมทรัพย์เนี่ยนะใครได้กองโตโกองไหนก็ดูว่าแต่ละสูตรนี่เราได้ทรัพย์เท่าไหร่ตั้งคําถามว่าเออจากสูตรนี้เช่นพระสูตรที่ผ่านมาที่เราเรียนเนี่ยแต่ละสูตรเราได้อริยทรัพย์เพิ่มเท่าไหร่ได้ทรัพย์คือโพธิปัริยธรรมจากพระพุทธเจ้ามาเท่าไหร่ถ้าคิดอย่างนี้ถามว่าควรคิดหรือไม่ควรคิดอันนั้เอานะ้เอานี่เรียนด้วยความโลภสินเนี่ย โลภหรือไม่โลภเอาก็เรียนจะเอาอะเรียนจะเอามันไม่ใช่โลภเหรออะแล้วไม่โลภทำไมยึงเรียกว่าไม่โลภก็เรียกว่าเรียนแบบผู้มีศรัทธาเนี่ยนะเรียนแบบผู้มีศรัทธาเนี่ยนะมันเรียนแบบผู้มีฉันทะเป็นฉันทาทิพติอย่างนี้เขาไม่เรียกว่าโลภถ้าลักษณะของโลภนั้นหมายถึงความติดข้องในมหาพูทเนี่ยนะ ความทะเยอทะยานความต้องการในมหาพูดเดี๋ยวจะมีสูตรข้างหน้าเราเอาธรรมะมาทําการค้าแต่อันนี้ไม่ใช่นะเดี๋ยวสูตรต่อไปเราเอาธรรมะมาทําการค้าแต่แต่ลักษณะที่กําลังพูดถึงอยู่นี้เป็นการเรียนเพื่อเพิ่มพูนอริยทรัพย์เหมือนอย่างว่าคนที่เดินทางที่เต็มไปด้วยภัยเนี่ยนะเขาจําเป็นต้องรวบรวมทรัพย์เพื่อเดินข้ามพ้นจากที่ที่ที่มันมีภัยเนี่ยนะ เหมือนอย่างว่าใครที่จะข้ามจากฝั่งหนึ่งไปสู่อีกฝั่งหนึ่งจำต้องอาศัยเรือและแพทีนี้เรือเนี่ยนะถ้าเราอาศัยเรือเข้าไปเราก็ต้องเสียค่าโดยสารใช่เราก็ต้องเก็บรวบรวมทรัพย์เพื่อเป็นค่าโดยสารทีนี้ถ้าไม่มีเรือให้โดยสารเราต้องสร้างเรือขึ้นเองเนยนะสร้างเรือขึ้นเองในใจของเราเนี่ยจะต้องรวบรวมทรัพย์ขนาดไหนจึงจะสร้างเรือแต่ละลำนั้นสาเร็จ มันกุศลธรรมที่นําออกจากทุกนั้นะเป็นการรวบรวมพระพุทธเจ้าบอกว่าเราไม่สันเสริญการหยุดอยู่แห่งกุศลธรรมจะกล่าวไปยายถึงถอยลงจะกล่าวไปยัยถึงกุศลธรรมถอยลงพระองค์เนี่ยมีแต่สอนให้เพิ่มขึ้นถ้าเราศึกษาแล้วกุศลธรรมบางทีก็ฟังมาจนชํานาญว่าเออกุศลกุศลแต่ว่ากุศลคืออะไรล่ะคะเนี่ยกุศลคือศรัทธาเราเพิ่มไหม กุศลคือศีลกุศลคือหีเลโอตาปากุศลคือสุตะจาระปัญญาหรือโพธิปัจจะธรรมเป็นต้นเนี่ยเพิ่มขึ้นไหมถ้าเพิ่มขึ้นก็แสดงว่าเราก็นับเป็นผู้สมควรที่จะออกจากวัตฏะได้แต่ถ้ากุศลคือศรัทธาเป็นต้นไม่เพิ่มขึ้นเลยตรงกันข้ามกับศรัทธาคืออะไรคือความเศร้าหมองไม่มีศรัทธาก็คือความเศร้าหมองตรงกันข้ามกับศีลก็คือทุจริตเนี่ยนะทุจริตตรงกันข้ามกับ ฮิเรโอตะบากก็คือไม่ละอายต่อความชั่วไม่เกรงกลัวต่อบาปตรงกันข้ามกับสุตะคืออะไรก็ฟังเดราชานคถาเป็นต้นตรงกันข้ามกับจาคะก็มัฉิฉะในวัตถุภายนอกเกลือเกลื่อยู่ด้วยบาปภายในตรงกันข้ามกับปัญญาเมื่อหมดเลยอวิชชาเตไปหมดเลย อริยศัสตร์ก็มันนึกไม่ออกว่าเป็นยังไงอดีตก็ไม่เข้าใจอนาคตก็ไม่รู้เรื่องทั้งอดีต ท, ทั้งอนาคตก็งงไปหมดเลยคิดแล้วมีแต่ความสงสัย น, นะปฏิจจสมุปบาทปัจจัยาการเหตุผลไม่เข้าใจซากอย่างอันนี้เป็นลักษณะของผู้ที่ไม่มีปัญญาสรุปรว่าการศึกษาพระธรรมเนี่ยตั้งเอาไว้เลยว่าแต่ละสูตรเราเพิ่มพูนอริยทรัพย์ได้อย่างไร แต่ละสูตรเพิ่มพูนโพธิปัจยะธรรมได้อย่างไรเพราะธรรมเหล่านี้พระองค์บอกว่านิยานิกธรรมเทศนาธรรมที่นำออกจากทุกเนี่ยนะถ้ากุศลเหล่านี้ไม่เพิ่มขึ้นแปลว่าเรานี้ต้องอยู่อยู่ในทุกขอีกนานจะต้องอยู่กับกองทุกจมอยู่กับห่วงแห่งความทุกข์ถ้ากุศลธรรมเหล่านี้เพิ่มพูนยิ่งขึ้นกุศลธรรมที่นาออกจากทุกนี้ก็มีมากขึ้น เป็นที่น่าสังเวชหลายๆครั้งเมื่อเห็นผู้ศึกษาพระธรรมเนี่ยนะทำสิ่งที่ตรงกันข้ามเช่นว่าตอนแรกเริ่มศึกษาก็มีศรัทธาในพระพุทธเจ้าอยู่ดีๆพอศึกษาฟังธรรมไประดับหนึ่งศรัทธาที่มีต่อพระพุทธเจ้าก็หายลงไปอันนี้ก็ได้สังเวกับวัตถุอันหนึ่งว่าเออทำไมมันเป็นอย่างนี้ไปได้ตอนก่อนศึกษาบางคนก็ดูมีศีลดี พูดถึงผู้อื่นด้วยความเคารพยำเกรงเป็นต้นศึกษาไปศึกษามาซีมันหายไปหมดเลยเห็นไหมเต็มไปด้วยกายทุจริตวจีทุจริตและมโนทุจริตอกุศลเพิ่มพูนกลุ่มรุมก่อนศึกษาธรรมะก็เป็นคนใจดีศึกษาไปศึกษามาดุกว่าเก่าเยอะเนี่ยนะโหดเทียมกว่าเดิมนี่ยนี่นเกิดอะไรขึ้นตอนไม่ศึกษาธรรมะก็สวดมนต์ไหว้พระดีอยู่ จำธรรมะได้อะไรได้เยอะแ ย, ยะจำสวดมนต์จำอะไรได้พอเริ่มเอาจริงเอาจัง เ, งเข้าลืมไปหมดเลยนี่สวดมนต์อะไรก็ไม่ได้มันเกิดอะไรขึ้นอันนี้ก็สังเวกับวัตถุที่ถือว่าใหญ่มากก่อนศึกษาธรรมะเนี่ยเป็นเป็นผู้เสียสละว่างั้นเนี่ยพอศึกษาธรรมะมากขึ้นกลายเป็นนักเห็นแก่ตัวเอ้มันศึกษาธรรมหรืออะไรกันแน่ไม่น่าจะเป็นธรรมะแน่นอนตอนศึกษาก่อนศึกษาธรรมะ แหม่ก็เชื่อเรื่องบุญเรื่องบาปเรื่องกรรมดีเรื่องกรรมชั่วอะไรดีอยู่หรอกพอศึกษาไปศึกษามาเอเรื่องกรรมมันหายไปไหนหมดไม่เชื่อแม้กระทั่งบุญบาปด้วยซ้าไปถ้าอย่างนี้ก็เป็นเอามากแล้วนะนันอันนี้ประกาศถึงว่ามันเสื่อมขนาดนั้นหรือบางคนเนี่ยศึกษาไปแล้วสติประธานทําไมไม่เพิ่มพูนทำไมกุศลไม่เจริญขึ้นสมปรปทานทําไมไม่ดีขึ้นสตอิอิทธิบาทอินทรีย์พละโพชงองค์มรรคอะไรก็ไม่เจริญซากอย่าง ชีวิตเหมือนกับว่ามันแห้งแรงเหลือเกินเป็นบัวแรงน้ําบัวหน้าไหนดีบัวหน้าที่เรีกว่าบัวหน้าร้อนที่บ่อมันแห้งอะนะแห้งด้วยแล้วก็เฉาด้วยเต็มไปด้วยอะไรนะแผ่นดินที่มันอะไรแตกะแหงอะนะคล้ายๆแบบนั้น่ะจิตใจดูไปดูมาคล้ายๆแบบนั้นอันนี้ถือว่าได้สังเวกับวัตถุที่แรงมากเขางมานี่ถือว่าสลดสังเวชมากนะได้ฟังข่าวประเภทนี้เนี่ยถือว่าสังเวกับวัตถุที่รุนแรงมาก เพราะว่าของเขาเนี่ยมาพบพระศาสนาแต่เขาได้แต่ความยากจนกลับไปเนี่ยนะแทนที่มาพบพระพุทธเจ้าผู้ผู้สมบูรณ์ด้วยอริยทรัพย์แทนที่จะได้อริยทรัพย์กลับไปแต่เขากลายเป็นอนาถากลับไปเนี่ยนะมาพบพระรัตนตรายมาทําลายพระัตนะตรายเสร็จตัวเองก็ได้แต่ความยากจนได้แต่ความอนาถากลับไปกลายเป็นผู้ก่อการปฏิวัติในพระรัตนตรายเป็นต้นอันนี้ก็ถือว่าผิดพลาด พลาดอย่างชนิดที่เรียกว่าหน่าสงสารเลยแหละมันเราทั้งหลายไม่อยากให้เป็นอย่างนั้นนีนะมันขอมาได้ฟังข่าวคนไม่เจริญองอกงามในกุศลเนี่ยมันเป็นข่าวร้ายมากถือว่าข่าวร้ายที่ไม่สมควรจะได้ยินเป็นอย่างยิ่งเพราะงั้นแต่ก็เ อ, อ้อทํำยังไงได้วัดตะมันก็อย่างนี้แหละถ้าโลกนี้มีแต่ฝนน้าก็คงท่วมนองไปหมดอ่ะนะถ้าโลกนี้มีแต่ความแห้งแล้งก็มีแต่ฝุ่นตลบไปหมด แต่มันก็เดี๋ยวก็แห้งแรงเดี๋ยวก็ฝนพรำคนทั้งหลายเดี๋ยวก็กุศลเดี๋ยวก็อกุศลถือว่าเป็นปกติใช่ไหมสาธุ ป, ปกติอันนั้นขอจะได้มีในเราใช่ไหมไอ้ปกติเดี๋ยวก็กุศลบ้งางอกุศลบ้างถ้าอย่างนี้มันดีหรืออ้าวงั้นศึกษาพระธรรมทําไมล่ะศึกษาพระธรรมก็เพื่อจะลดอกุศลเพื่อจะเพิ่มพูม กุศลกุศลก็มาไลา่ดูกุศลแต่ละอย่างทานเพิ่มไหมศีลเพิ่มไหมภาวนาเพิ่มไหมสมถะเป็นต้นเพิ่มไหมวิปัสนาเป็นต้นขันธนะอริยธรรมเข้าใจเพิ่มขนาดไหนก็มาตรวจเช็คตัวเองบ่อยๆนะไม่ใช่ว่าเออแล้วแต่มันจะเป็นขอให้มันเป็นไปวันๆหนึ่งเถอะอย่างไงนะอย่างงี้ก็น่าสงสารเนาะมาดูข้อความในคุตกานิกายอุทานต่อกังขาเรวตะสูตร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 น, นะกังขาววิตรณวิสุธทธิ์นี่โดยปกติมีสองระดับข้ามความสงสัยด้วยวิปัสนาญาณอย่างหนึ่งกับข้ามความสงสัยได้เด็ดขาดที่โสดาปฏิมัติแต่นี่หมายถึงท่านกำลังพิจารณาอาริยมรรคของตนอยู่ในที่ไม่ไกลของพระผู้มีพระภาคเจ้านนะแสดงว่าท่านกำลังปัจเจกขณะญาณพิจารณามรรคอยู่ พระผู้มีพระภาคเจ้าได้ทรงเห็นท่านพระมหาพระตังขาเรวตะผู้นั่งคูบาลังตั้งกายตรงพิจารณากังขาวิตรณะณวิสุทธิของตนอยู่ในที่ไม่ไกลลำดับนั้นแลพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงทราบเนื้อความนี้แล้วจึงทรงเปล่งอุทานในเวลานั้นว่าความสงสัยอย่างใดอย่างหนึ่งในอัตภาพนี้หรือในอัตภาพอื่น ในความรู้ของตนหรือในความรู้ของผู้อื่น น, นะสรุปแบ่งสงสัย4อย่างให้หนึ่งสงสัยในอะไรหนึ่งอัตภาพตนส ง, สงสงสัยในอัตภาพของผู้อื่นสสงสัยในความรู้ของตนสสงสัยในความรู้ของผู้อื่นความสงสัยทั้งหมดนี้เนี่ยนะบุคคลผู้พินิษผู้เพ่งเพ่งคือผู้มีฌานเนี่ยพินิษฐ์เนี่ย มีความเพียรประพฤติพรหมจรรย์อยู่ย่อมละความสงสัยทั้งสี่ประการคือละความสงสัยในอัตภาพนี้อัตภาพอื่นความรู้ของตนความรู้ของผู้อื่นได้ทั้งหมดทันคุณธรรมที่ทำให้ละความสงสัยคืออะไรหนึ่งผู้เพ่งพินิจคือฌานน่ะ น, นะมีความเพียร3ประพฤติพรหมจรรย์คุณธรรม3ประการน่นนะ ถ้ามีคุณธรรมคือเพ่งพินิษย์มีความเพียรประพฤติพรหมจรรย์จะละวิจิกิจชาได้หมดเลย่ย น, นมันก็แสดงว่าวิจิกิจชานี้เป็นอกุศลเป็นประหาตประธรรมเป็นธรรมที่ต้องละกุศลที่เป็นเหตุให้ไปละเหล่านั้นก็คือเพ่งพินิษ์มีความเพียรและประพฤติพรหมจรรย์อธิบายในอัตกะถาโดยลำดับ พระเร ว, วตะนั้นเนี่ยนะท่านอุบรประชาอุปสมบทในพระพุทธศาสนาแล้วเป็นผู้มีศีลมีกัลยาณธรรม น, น, นะนะแสดงว่าผู้สมบูรณ์ด้วยเจตสิกศีลสังวรศีลอวีติกามศีลและเจตนาศีลท่านมีกัลยาณธรรมคือทำอันงามมีอะไรบ้างสมถาวิปัสนานนนะสุดเจริตสามเป็นต้นเป็นอย่างดีเรียกว่าเป็นผู้มีศีลมีกัลยาณธรรมแต่เธอเป็นผู้มากไปด้วยความสงสัย กล่าวคือความรังเกียจท่านสงสัยเกี่ยวกับเรื่องพระวินัยมากโดยเฉพาะความสงสัยเกี่ยวกับเรื่องพระวินัยที่ก็บอกว่าเช่นยกตัวอย่างว่าถั่วเขียวที่เป็นอัปบัอักบัปิยะย่อมไม่สมควรเพื่อจะบริโภคคือมีอยู่ครั้งหนึ่งเลยนะเขาบอกว่าไอ้ถั่วเขียวที่ต้มเนี่ยมันมันจะต้มแล้วสุกบ้างไม่สุกบ้างถั่วไหนที่ต้มไม่สุกบุคคลเขาเขา ทานถั่วเขียวที่ไม่สุกเนี่ยนะก็ทานไปทานไปแล้วก็ไปขับถ่ายทิ้งไว้แล้วถั่วเขียวนั้นมันงอกเอ๊ถ้าฉันถั่วเขียวแบบนั้นมันจะเป็นอาบัติหรือเปล่าอันนี้ท่านก็สงสัยเกี่ยวกับพระวินัยนะอันนี้นายหนึ่งอีกนายหนึ่งก็บอกว่าน้ําอ้อยงบที่เป็นอากาศพิยะย่อมไม่สมควรจะบริโภคอยอนะในเรื่องถั่วเขียวก่อนนะว่าถึงถ้าต้มไปแล้วเนี่ยโดยมากสุกโดยมากถ้าฉันเนี่ยถือว่าไม่เป็นอาบาัต นี่แป้งแป้งเนี่ยพระพิสุเอามาทำอาหาเป็นอาหารฉันตอนเย็นไม่ได้แป้งนะเช่นแป้งแป้งถั่วแป้งอะไรนะกลุ่มแป้งแป้งจากข้าวแป้งจากถั่วหรือแป้งอะไรก็ตามแป้งเหล่านี้เนี่ยพระพิสุฉันไม่ได้แต่น้ำอ้อยฉันได้ทีนี้น้ำอ้อยถ้าเขาจะทำให้มันเป็นก้อนมันจำเป็นต้องผสมแป้งมันจึงจะจับก้อนได้ที่เราวาน้าอ้อยงบอ่ะนะทีนี้ท่านก็สงสัยเอ๊ะแล้ว จะฉันได้หรือเปล่าเนี่ยเอาแป้งมาผสมกับน้ำอ้อยกร ะ, ะนะมามามีกระบวนการทำให้เป็นน้ำอ้อยงบพระพิสุฉันได้หรือไม่ได้ท่านก็สงสัยบอกว่าแป้งที่ผสมกับน้ำอ้อยอันนั้นถือว่าเป็นอภโรหารทิ์เพราะฉะนั้นพระพิสุฉันน้ำอ้อยงบตอนเย็นได้คือท่านจะเป็นคนที่มักสงสัยะนะคิดเรื่องประเภทนี้ก็เลยมีชื่อว่ากังขาเรวตะคือพระเรวตะผู้มากด้วยความสงสัย นักสงสัยเหงือนันนะนะเป็นเจ้าปัญหาเหมือนกันเถอะแต่ว่าดีว่าอยู่ถูกสมัยเนี่ยนะแต่อยู่ผิดสมัยนี่หนักใจเหมือนกันนั่นเนี่ยบอกถ้าใครมาถามประเภทแบบท่านบอกผมก็สงสัยเหมือนกันเนี่ยท่านจะช่วยหาข้อมูลให้หน่อยสิผมก็อยากรู้เหมือนกันจะเจอเมื่อไหร่ก็เล่าให้ฟังด้วยเป็นต้นในเรื่องของพระวินัยเนี่ยนะในในลักษณะแบบเนี้ยสมัยใหม่เนี่ยสงสัยกันมากพอเริ่มเรียนยิ่งเรียนยิ่งสงสัยถามว่าทําไมยึงสงสัย เพราะมันไม่มีตัวอย่างประกอบและไม่มีคนที่คอยตัดสินจริงๆไอ้พวกถือเคร่งก็เคร่งซะจนไอ้พวกย่อนก็ย่อนซะจนไม่รู้ยพอดีจริงๆมันอยู่ที่ไหนนะในด้านพระวินัยเนี่ยก็จะเป็นลักษณะนี้มันท่าผู้ที่ศึกษาดีๆก็ค่อยอยังชั่วหน่อยถ้าศึกษาไม่ดีเนี่ยก็สงสัยยิ่งสงสัยสงสัยจนบวชอยู่ไม่ได้ก็ไม่ใช่น้อยเนี่นะศึกไปก็เพราะความสงสัยใน พระวินยัยพระพิสุทที่ศึกในยุคหลังๆมาเนี่ยมีมากเพราะสงสัยในพระวินัยศึกเรียกว่าเอาจนฟุ้งซ่านแต่ว่าดีว่าพระกังขาเรวตะนี้ท่านอยู่ในสมัยพุทธกาลพระพุทธเจ้าคอยแก้ปัญหาให้ท่านหมดท่านก็กําจัดความสงสยัยแล้วท่านนี้เป็นเอตทัคฆะในด้านการเพ่งฌานเอตทัคฆะในการเพ่งเนี่ยนะเพราะท่านก็มีความสุขในการเข้าฌานมากพูดถึง ภายหลังท่านเรียนพระกรรมฐานในสำนักพระศาสดาเพียรพยายามอยู่ก็ทำให้แจ้งอภินยาหกยับยั้งอยู่ด้วยความสุขที่เกิดจากฌานและความสุขที่เกิดแต่ผลลจิตนะท่านก็มีความสุขของท่านะนะถ้าการปฏิบัติธรรมเนี่ยนะในที่สุดของการปฏิบัติก็คือการประสบความสุขสมมติถ้าเราเอามาตั้งแบบนี้นะสมมติถ้าอย่างเราทั้งหลายมาศึกษาพระธรรม สมมติมีอายุเหลือกี่ปีดีอ่า น, นะสมมุติว่ามีอายุอ่า น, นะทิ้งต่างสมมุติสมมตุมมติว่าเรามีอายุอีกสักเท่าไหร่ดีสาิปีก็แล้วกันสามสิปีตาเป็นสีสาสิบก็เกือบร้อยแล้วน ะ, ะร้อยพอดีแล้วนะก็เอาเซ็สามสิก็แล้วกันนะจะได้เต็มร้อยสตะวะสะวชีเวนะว่าพระที่เขาจะให้พรว่าขอให้ท่านมีความอายุยืนร้อยปีข้างเงน สตวัฏชะชีวะนะพูดถึงสมมุท tha ร้ยปีเนี่ยนะสมมติว่ามันมันก็แบ่งเป็น30สิขั้นนะปีที่1ต้องมีความสุขน้อยกับปีที่สองต้องมีความสุขมากกว่าปีที่หนึ่งที่ศึกษาพระธรรมอันนี้จึงจะถูกไหมปีที่สมต้องมีความสุขมากกว่าปีที่สองปีที่สี่ต้องมีความสุขมากกว่าปีที่สมปีที่สิบต้องมีความสุขมากกว่าปีที่เก้าปีที่ยี่สิบต้องมีความสุขมากกว่าปีที่19 ปีที่30ต้องมีความสุขกว่าปีที่29สรุปว่าตอนที่ศึกษาตอนต้นกับตอนปลายเนี่ยถือว่าความสุขต่างกันมากเนยนะมีแต่ความสุขยิ่งยิ่งขึ้นไปนั่นชื่อว่าศึกษาพระธรรมถูกต้องถ้าศึกษาพระธรรมถูกต้องมันมีแต่ประสบความสุขยิ่งยิ่งขึ้นไปแต่ถ้าศึกษาพระธรรมพลาดเครียดมากกับเก่าเครียดมากกับเก่าต้องอาหาอะไรมาช่วยอยู่ตลอดเวลาเนี่ยนะ ก็แสดงว่าผิดพลาดเการศึกษาพระธรรมที่ถูกต้องต้องเข้ามีแต่ประสบความสุขโดยส่วนเดียวเนี่ยนะบุคคลจะเข้าถึงความสุขเนี่ยต้องอาศัยาาศาสนาเนี่ยนะบุคคลที่จะได้มรรคสุขผลสุขสุขที่เกิดจากมรรคผลนิพพานต้องได้ความสุขที่เกิดจากศีลสมถาวิปัสสนาก่อนนะถ้าไม่ได้ความสุขที่เกิดจากศีลสมถาวิปัสสนาอย่าหวังเลยว่าจะได้ความสุขที่เกิดจากมรรคผลแล้ว นิพพานนั้นจะต้องได้รับความสุขบุคคลที่จะเข้าถึงความสุขชั้นสูงได้จะต้องอาศัยความสุขระดับล่างๆเป็นปัจจัยให้ประสบกับความสุขชั้นสูงแต่ถ้าประสบความสุขชั้นสูงระดับที่เป็นโลกุตระเพรานี่แหละแบบพระกังขาเรวตะก็มีแต่ความสุขมันเราสรุปว่าเรามาศึกษาพระธรรมก็เพราะรังเกียจ ต, ต่อความทุกข์ใช่ไหมรังเกียจ ต, ต่อเหตุแห่งความทุกข์การศึกษาก็เพื่อประโยชน์แก่ความสุข แต่ทีนี้ถ้าหากว่าเราศึกษาแล้วไม่ประสบความสุขเพิ่มยิ่งๆ่งขึ้นไปเนี่ยจะต้องทําอย่างไรจะต้องทําอย่างไรเจรไหมเราไม่มีอัตตะซัมมาปณิทิเลยว่ากุศลธรรมเราจะต้องเพิ่มพูนขึ้นเราไม่ได้ตั้งเป้าไว้อย่างนี้ใช่ไหมโดยมากตั้งเป้าไหมว่าศรัทธาปีนี้ต้องมากกว่าปีที่แล้วหรือปีหน้าต้องมีศรัทธามากกว่าปีนี้ ปีหน้าต้องมีศีลดีกว่าปีนี้ปีหน้าต้องมีฤิโอตปะมากกว่าปีนี้ปีหน้าต้องมีสุตะมากกว่านี้ปีหน้าต้องมีจารคะมากกว่านี้ปีหน้าจะต้องมีปัญญาเพิ่มกว่าปีนี้ปีหน้าโพธิปัจจะธรรมต้องโตกว่านี้นะเพราะว่าสิ่งเหล่านี้เป็นเป็นรัตนะเป็นเครื่องปลื้มใจอย่างไรก็ต้องมีความสุขเราควรตั้งเป้าให้เจริญยิ่งๆคือหรือว่าควรปล่อยตามลมก็ควรตั้งเป้าเนี่ยนะควรตั้งไว้เลยว่าจะต้องเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้น นะแต่ตอนแรกแรกที่ตั้งอาจจะไม่เห็นเป็นรูปธรรมแต่ถ้าตั้งบ่อยๆมันจะค่อยๆเป็นเป็นรูปเป็นร่างมากขึ้นแม้กระทั่งการให้ทานของเราเราก็ควรตั้งว่ากุศล ก, ศกุศลจิตที่เป็นไปกับทานเราควรเป็นไปเท่าไหร่ไม่ใช่เน้นไปที่ตัววัตถุนะเน้นไปที่กุศลจิตที่เป็นไปกับการให้ทานเราจะต้องมากแค่ไหนกุศลจิตที่เป็นไปกับศีลเป็นต้นจะต้องเพิ่มอย่างไรก็ควรตั้งตั้งโครงการตั้งจินตนาการเอาไว้ กุศลธรรมต้องเพิ่มเพิ่มยิ่งขึ้นไปเมื่อวานกล่าวถึงอะไรนะปริตตธรรมเพื่อ ม, มหคตธรรมและอัปปามานธรรมเราจะต้องกุศลจิตมหากุศลเหล่านี้ต้องสมควรแก่ฌานสมควรแก่มรรคผลมันก็ต้องมีเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆตั้งอัตตะสัมมาปณิทีเถอถ้าไม่ตั้งความปรารถนาแบบนี้ยากยานะนะคือว่าความปรารถนาที่จะเจริญในกุศลยังไม่มี แล้วกุศลมันจะเจริญได้อย่างไงเพราะเราจะต้องหวังว่าเราจะต้องมีความเจริญงอก ง, งามในกุศลธรรมโดยส่วนเดียวเราก็มาศึกษาดูว่าปัจจัยอะไรบ้างที่ทําให้กุศลธรรมเหล่านั้นเจริญยิ่งขึ้นปิ่งขึ้นมันจะต้องมีมีจินตนาการมีความปรารถนามีอัตตะสัมมาปณิธิตั้งเอาไว้ก่อนแต่คนที่ตั้งได้คนที่ตั้งได้ก็ทําได้แต่คนที่ทําไม่ได้ก็เพราะไม่เคยตั้งเลย เมื่อไม่เคยตั้งก็ลอยๆไปวันๆหนึงเพราะฉะนั้นหมายความว่าจะเจริญกุศลถ้าได้เหตุอันสมควรก็เจริญไปถ้าไม่มีเหตุก็ไม่เจริญเพราะไม่มีเป้าไม่มีการตั้งความปรารถนาที่จะเจริญแต่ถ้าตั้งเป้าไว้ก่อนนะจะต้องได้เหตุตัใจสมควรต้องเจริญในที่สุดก็เจริญโดยส่วนเดียวเพราะฉะนั้นเราก็ควรมีแผนในใจของเราว่าเราจะต้องเจริญกุศลให้แค่ไหนเนี่ยนะแต่ละวันเนี่ยกุศ ล, ลจิตควรเ ก, กเกิดกี่ชั่วโมงดี สมมติวันนี้มีกุศลจิตเกิดครึ่งชั่วโมง น, นะทันพรุ่งนี้จะต้องเพิ่มกว่านี้อีกสักสาสิบเอ็ดนาทีใช่ไหมวันนี้สาสิบนาทีพรุ่งนี้น่าจะได้สักสาสิบเอ็ดนาทีปา ร, รืนนี้ต้องสามสิบสองนาทีก็เพิ่มทีล้นาทีนี้ก็เก่งแล้วโยมนั้นถ้าเพิ่มจะครบปีนี้เท่าไหร่แล้วเพิ่มสามร้อยกว่านาทีไปแล้วนะถ้าเพิ่มอย่างนี้สิปีเท่าไหร่ น, นะบางคนบอกใจฮอนจะรีบเอาเร็วๆเลยอะ ซ้ำไม่สำเร็จโดยมากก็ต้องค่อยๆเพิ่มขยับขยับขยับขยับไปเรื่อยๆแต่ทีนี้ถามว่าถ้ากุศลมันลดลงเมื่อไหร่ทำยังไงวันต่อๆไปต้องตั้งเป้าให้สูงกว่าวันเก่าเหมือนกับคล้ายๆกับบางคนเข า, อาบอกว่าอ่านพระไตรปิฎกเนี่ยก็าทานี้บอกเขาจะต้องอ่านวันละห้าสิบหน้าถ้าวันไหนอ่านไม่ครบวันหลังต้องเรียกคืนและบวกอีกอะนะบวกเพิ่มอีก ก็ต้องทําอย่างเงี้ยไปเรื่อยๆในที่สุดนะพระไตรปิฎกเขาก็ไม่ได้พระพุทธเจ้าก็ปรินิพานไปแล้วมันไม่มีขยายอีกนั่งอ่านไปเรื่อยๆในที่สุดก็หมดเล ย, อ, ยอ่านแล้วก็จบ ก, ก็กลับมาอ่านใหม่ทีนี้อ่านรอบแรกตั้งตั้งสติไว้เลยฉันมีศรัทธาเท่านั้นนะอ่านตอนนั้นนะ่ยปีหลังในการอ่านจะต้องมีศรัทธาเพิ่มกว่าปีนี้สินะปีที่แล้วอ่านแล้วเข้าใจเท่านี้ปีนี้ต้องเข้าใจมากกว่าปีนั้นวันหลังนะเราเข้าใจตอนนี้เราจําได้เราเข้าใจกระดับนี้ ว่าหลังต้องเพิ่มอีกต้ต้องเข้าใจมากกว่าปีนี้นะ้ตั้งไปเรื่อยๆตั้งไปเรื่อยๆมันจะต้องตั้งเต้าใช่ไหมตั้งกับไม่ตั้งอะไรดีกว่ากันนะตั้งดีกว่าเขาก็มีแต่เขาตั้งทางนั้นแหละทาอาชีพทางโลกเขาก็ตั้งกันแต่ทางําปล่อยปละละเลยมันก็ควรตั้งตังไว้หน่อยนะถ้าใครตั้งบ่อยๆก็อนุโมทนาด้วยนะแต่บางคนเนี่ยก็ตั้งตั้งประเภทชนิดที่ตัวเองทาไม่ได้ ถาว่าดีไหมเขาเรียกว่าตั้งอะไรนะตั้งแบบสกัดจุดอ่อนตัวเองเต็มที่เลยสรุปว่าฉันทําไม่ได้หรอกอก็ต้องตั้งในสิ่งที่ตัวเองคิดว่าทําได้แล้วก็ค่อยเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นนานๆที่สุดเนี่ยเขาจะเจริญงอกงามในกุศลธรรมเมื่อเจริญงอกงามในกุศลธรรมเนี่ยนะใจก็จะมั่นคงและอาจฐานสังเกตดูได้ว่าเริ่มต่อไปเนี่ยจะไม่กลัวตายจะไม่ ไม่มีอะไรเป็นที่น่าตกใจถึงจะสูญเสียอะไรก็ไม่น่าหนักใจสักเท่าไหร่เป็นต้นเนี่ยนะเพราะจิตใจมีความมั่นคงเค่ว่ามีความมั่นคงทางความคิดมีเสถียรภาพทางกุศลธรรมเนี่ยนะกุศลจิตก็เกิดขึ้นกลายเป็นผู้ที่สามารถเจริญกุศลได้ในทุกทุกเหตุการณ์เหตุการณ์เลวร้ายกุศลก็เจริญเพิ่มขึ้นเหตุการณ์ดีกุศลก็เจริญเหตุการณ์เลวร้าย กุศลก็เจริญสรุปในด้วยแดดออกก็กุศลเจริญฝนตกก็กุศลเจริญเพราะฉะนั้นทั้งฝนไม่ตกแดดไม่ออกก็กุศลเจริญสรุปว่าเจริญได้ในทุกการเพราะเขามีเป้าหมายในการเจริญกุศลที่ชัดเจนมันเราก็ต้องตั้งเป้าเหมือนกันเนี่ยนะถ้าตั้งได้สําเร็จก็เนี่ยกลายเป็นผู้ที่มีคุณธรรมได้ความสุขที่เกิดจากมรรคผลเป็นต้นคล้ายๆกับพระอริยะทั้งหลายท่านเป็นอย่างนั้นเนี่ยนะ คนที่ตั้งแบบนี้บ่อยๆเขาเรียกเจริญอะไรรู้ไหมเจริญสัมมปทานเนี่ยนะเป็นการเจริญสัมมปทานสัมมปทานคืออะไรคือเอจริญกุศลที่ยังไม่เกิดให้เกิดขึ้นแล้วตามรักษากุศลแล้วกลับมาหาใหม่อีกว่าอันอื่นที่ยังไม่เกิดก็ทั้งทําให้เกิดไอ้ที่เกิดแล้วรักษาไว้แล้วเพิ่มอันใหม่เข้าไปอีกแล้วตามรักษาไอ้ที่ได้แล้วก็อยู่อย่างเงี้ยเขาเรียกว่าเจริญสัมมปทาน ถ้าจะกล่าวไปแล้วนะของมาบอกสัมมปทานนี้เข้าใจ ย, ยากกว่าอย่างอื่นเข้าใจ ย, ยากกว่าสติปทานถามว่าเพราะอะไรใช่ไหมทำไมายังบอกว่ายากกว่าก็เพราะว่าไม่เคยตั้งเป้าที่จะเจริญกุศลถ้าเราไม่ตั้งเป้าในการเจริญกุศลบ่อยๆไม่ตั้งมันเหมือนกับว่าจะต้องไปเพียรจะต้องไปเครียดจะต้องไปเน็ตจะต้องไปเหนื่อยจะต้องไปไปทุกข์ไปยากมันนึกถึงแต่ภาพคนที่ หน้าดําค่ําเครียดเป็นต้นเอาจริงเอาจังเอ า, เ, อาเป็นเอาตายจะต้องแหมจะต้องเกือบตายนั่นแหละโอ้ยนี่แหละแบบเพียรแท้เพียรแท้เชื่อใจเลยไม่ทางศาสนาไม่ได้เป็นอย่างนั้นเขาหมายควาว่าเขาตั้งเป้าในการเจริญกุศลแล้วเพิ่มขึ้นตั้งเป้าในการกําจัดอกุศลแล้วก็กุศลที่เพิ่มขึ้นจะต้องรักษาแล้วเพิ่มปริมาณกุศลมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นลักษณะนั้นเขาเรียกว่า สัมมาประธานเนี่ยนะสัมมาประธานคือการเพิ่มพูนกุศลฉลาดคิดที่ว่าจะเพิ่มพูนกุศลได้อย่างไรนั่นคือสัมมาประธานทั้งหลายมันถ้าเพิ่มพูนได้ถึงที่สุดก็ได้ความสุขที่เกิดจากฌานมรรคและผลย้อนมาที่พระกังขาเรวตาว่าโดยพื้นเพของท่านเป็นผู้ที่มากไปด้วยความสงสัยเมื่อพื้นเพเป็นอย่างนั้นเนี่ยนะ ท่านจึงพิจารณาอารยมรรคที่ตนบรรลุแล้วให้หนักแน่นวันปัจเจเวคณาญาณปกติมีหใช่พิจารณามรรคพิจารณาผลพิจารณานิพพานพิจารณากิเลสที่ละแล้วพิจารณากิเลสที่เหลืออยู่นี้เน้นพิจารณาอะไรพิจารณาอารยมรรคนี่ยนะพิจารณาอารยมรรคที่ใบบรรลุแล้วก็เลยเรียกว่าพิจารณาเส้นกลาขาวิตระนะวิสุทธิของตน จึงอยู่ปัญญาที่สัมปยุทธ์ด้วยมัคในที่นี้ท่านประสงค์เอาว่ากังขาวิตรณวิสุทธิเพราะข้ามคือก้าวล่วงความสงสัยโดยประการทั้งปวงโดยไม่มีส่วนเหลื อ, อปัจญาปริคหายานนี่เรียกว่ากังขาวิตรณวิสุทธิใช่ไหมใช่ไหมกังขาวิตรณวิสุทธิก็คือปัจญาปริคหายานปัจญาปริคหายานเนี่ยนะเป็นการละกิเลสโดย ตะทางฆ่าทหารเท่านั้นแต่ในที่นี้ะละความสงสัยได้โดยประการทั้งปวงเด็ดขาดก็ต้องด้วยอริยมรรคอริยมรรคนี้จึงเป็นกังขาวิตรณะวิสุธทธิอย่างที่เรียกว่าอย่างเด็ดขาดแน่นอนความสงสัยมีอะไรบ้างความสงสัยแบ่งเป็นสงสัยในวัตถุ16กับสงสัยในวัตถุ8 สงสัยในวัตถุ16มีอะไรบ้างในอดีตการสงสัยอดีตหอนาคตหปัจจุบันหเรียกว่าสงสัย16อดีต5ก็สงสัยว่าอดีตเราเคยมีหรือนอหรือว่าเราไม่เคยมีเราเคยมีแล้วเราเป็นอะไรนอเราเป็นอะไรแล้วเป็นอย่างไรนอเมื่อเป็นอย่างไรแล้วเราเป็นอะไรแล้วเป็นอะไรต่อไปอีกนอตกลง ถ้าพี่จะเราเป็นอะไรกันไน่เรามีหรือไม่มีไม่มีงั้นก็ไม่มีเราเลยใช่ไหมฮะมีหรือไม่มีมีแต่ขันห้าใช่ไหมในอดีตก็ถึงความเป็นขันอายตนะธาตุที่ไลสืบเรื่องกันไปตามเหตุปัจจัยและอนาคตสงสัยว่าเราจักมีหรือนอหรือว่าเราจักไม่มีเราจักมีแล้วเราจักมีอย่างไรน o เราเป็นอะไรแล้วจักเป็นอะไรต่อไปหนอนะก็สงสัยอย่างนี้ไปเรื่อยเรียกว่าสงสัยในอนาคตถ้าสงสัยในปัจจุบันก็สงสัยเกี่ยวกับเรื่องภายในตัวนี่แหละเพราะความสงสัยเหล่านี้เนี่ยจะถูกละได้ด้วยอำนาจการกําหนดปัจจัยกําหนดปัจจัยของสังขารในอดีตอนาคตและปัจจุบันแต่ถ้ากําจัดความสงสัยอันนี้ได้เด็ดขาดก็ด้วยอนุภาพของอริยมรรค ส่วนความสงสัยแปดอย่างมีอะไรบ้างสงสัยในพระพุทธเจ้าสงสัยในพระอะไรพระสรีรคุณบ้างสงสัยในปุพพจริยาคุณบ้างสงสัยในพระพุทธคุณเช่นอรหันตคุณเป็นต้นบ้างก็สงสัยสงสัยในพระธรรมเป็นยังไงพระธรรมที่พระพุทธเจ้าสอนไว้สอนไว้ไวถูกหรือเนาะพระไตยปิดกเนี่ยสมัยนี้เห็นบ่อยมากเลยนะเอพระไตรปิดกพิมพ์ถูกหรือพิมพ์ผิดมัเนี่ย แล้วมันจะรักษามันได้หรือตั้งสองพันกว่าปีก็เริ่มสงสัยไปสงสัยไปสงสัยไปก็สงสัยจนไม่อ่านนั่นแหละเขาบอกว่าวิจิกิจฉาเหมือนทางสองแพร่งนะคนที่ขนทรัพย์ไปมากก็เลยระแวงนะเต็มไปด้วยความหวาดระแวงเอาไปเอามาก็เลยไม่เหลืออริยทรัพย์เลยทนบางคนนี่มากไปด้วยความสงสัยจึงสงสัยในพระธรรมเนี่ยนะสงสัยในคาที่พระพุทธเจ้าสอนสงสัยในอภินญามักผลสงสัยในนิพพานเป็นต้น ต่อไปก็สงสัยในความปฏิบัติดีของพระสงฆ์สาวกของพระพุทธเจ้าปฏิบัติดีจริงหรือเป็นต้นสงสัยในอะไรสงสัยว่าอธิศีนอธิจิตอธิปัญญาศิกขาที่เจริญบริบูรณ์แล้วทําให้บรรลุมรรคผลได้จริงหรือสงสัยในอะไรอ่านะสงสัยในอดีตอ่านะขันธ์าตุอรยตนะที่เป็นอดีตสงสัยในขันธาตุอรยตนะที่เป็น อนาคตสงสัยทั้งอดีตและอนาคตสงสัยปฏิจจสมุปบาทก็คือสงสัยกรรมวิบากและกิเลสว่ากรรมเนี่ยเป็นเหตุให้เกิดวิบากจริงหรือแล้ววิบากเป็นปัจจัยให้เกิดกิเลสหรือกิเลสเป็นเหตุให้ทํากรรมอีกหรือมันก็คือสงสัยในระบบปฏิจจสมุปบาทเป็นต้น ความสงสัยทั้งปวงนี้เนี่ยนะย่อมไม่มีส่วนเหลือจะป่วยกล่าวไปใหญ่ถึงความสงสัยนอกนี้เล่าเพราะความบริสุทธิ์โดยส่วนเดียวจากกิเลสเราอื่นที่ตนพึงละนะคือปกติแล้วพระตังขาเรวตะไม่ได้มีความสงสัยในวัตถุเป็นที่ตั้งแห่งความสงสัยสิบหกหรือวัตถุ8ดเลยไม่มีความสงสัยเลยก็ท่านผู้มีอายุนี้ผู้มีอายุนี่ประกาศถึงว่า พระตังขารรวตาเนี่ยเป็นอาจารย์ใหญ่นะเป็นอาจารย์ใหญ่สมัยพุทธกาลที่ใดเจอคำว่าผู้มีอายุแบบนี้เนี่ยท่านผู้มีอายุแบบนี้ท่านแปลว่าเป็นอาจารย์ใหญ่มากเป็นมหาสาวกเลยแหละเพราะเหตุที่ท่านมีความสงสัยเป็นปกติมานานท่านจึงนั่งพิจารณาอริยมรรคที่ตนบรรลุแล้วนั้นให้หนักแน่นว่าเราละความสงสัยเหล่านี้ได้เด็ดขาด เพราะอาศัยมรรคนี้เนี่ยไม่ใช่นั่งพิจารณานามรูปพร้อมทั้งปัจจัยพิจารณาอนุภาพของอริยมรรคนั่นเองอนุภาพของอริยมรรคที่เต็มเปี่ยมด้วยอะไรบ้างมรรคเนี่ยเกิดขึ้นอะไรเต็มเปี่ยมโพธิปัจจัยธรรมเนี่ยเต็มเปี่ยมเนี่ยนะสมบูรณ์ด้วยศรัทธาสมบูรณ์ด้วยสติปัฏฐานเป็นต้นเนี่ยนะ เห็นคู่นานุภาพของโพธิปักขยธรรมที่ประชุมกันมีพระนิพพานเป็นอารมณ์สามารถกำจัดความสงสัยได้อย่างเด็ดขาดเนี่ยนะไม่ใช่นั่งพิจารณานามรูปพร้อมทั้งปัจจัยแล้วก็คล้ายๆครวนว่ า, ารูปนามเป็นต้นไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตามไม่ใช่แบบนี้แต่หมายถึงท่านอยู่ในระดับสูงคือพิจารณาอริยมรรคที่เช่นโซดาปฏิมรรคเนี่ยเป็นตัวตัวกจัดความสงสัยในวัตถุ 16และวัตถุ18วัตถุ8โดยเด็ดขาดอันนี้คืออนุภาพของโซดาปฏิมักเนี่ยนะสกัตาคามีมักก็ยิ่งกำจัดไปเรื่อยๆหมายความว่ า, าละความสงสัยได้แล้วแต่ศรัทธายัางไม่เพิ่มพูนเต็มที่นั่งที่กล่าวว่าผู้ที่ศรัทธาในพระพุทธเจ้าเนี่ยนะพระโซดาบันกับพระสกัตาคามีใครมากกว่ากัน พระสกทาคามีมีศรัทธามากกว่าพระนาคามีกับพระสกทาคามีใครมีศรัทธาในพระพุทธเจ้ามากกว่ากันพระนาคามีมีศรัทธามากกว่าพระอรหันต์ก็มากกว่าพระอนาคามีพระพระมหาสาวกอย่างพระสารีบุตรเป็นต้นเลื่อมใสในพระพุทธเจ้ามากกว่าพระสาวกระดับล่างๆอีกพระพุทธเจ้าเลื่อมใสในพระพุทธเจ้ามากกว่าผู้อื่นทั้งหมดเพราะฉะนั้นมรรคเบื้องสูงนจึงเพิ่มพูนกุศลธรรมที่ตรงกันข้ามกับ ความสงสัยคือศรัทธาเนี่ยนะหลังจากที่พระพุทธเจ้าเห็นเห็นพระกังขาเรวตะพิจารณาอริยมรรคนะปัจจเวคขณะยานพิจารณาอริยมนะยรรคอยู่อย่างนี้พระองค์ก็ทราบเนื้อความคือความสามารถที่พระกังขาเรวตะข้ามความสงสัยด้วยอริยมรรคได้อย่างเด็ดขาดพระองค์ก็เปล่งอุทานานะ แสดงอนุภาพของการข้ามจากความสงสัยได้ความกุศลธรรมที่เราไม่เจริญงอกงามเนี่ยบางทีมันเกิดจากความระแวงใช่ไหมพอเริ่มระแวงบ้างแล้วก็ชักสมมติว่าพระไตรปิฎกเนี่ยนะเราอ่านอ่านไปเกิดนึกระแวงหน่อยเดียวเนี่ยจบเลยอ่านต่อไปไม่ได้ถึงอ่านได้ก็อ่านแบบอ่านค่าเวลาหรืออ่านเอาหน้าก็ได้เท่านั้นนะ่ะเพราะมันระแวงไปเรียบร้อยแล้วพความระแวงสงสัยนี่เป็นตัวที่ สร้างความเสียหายเสียหายแห่งกุศลธรรมเนี่ยมากดังนั้นคนที่จะข้ามความหวาดระแวงได้ก็ต้องอนุภาพของอริยมรตแต่ถามว่าอะไรยุคนี้ควรระแวงหรือไม่ควรระแวงควรระแวงหรือไม่ควรระแวงตรงลงก็ต้องดูว่าเรื่องอะไรถ้าเรื่องพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เรื่องพระตนะไตรไม่ควรระแวงถ้าเรื่องอื่นๆควรระวังนะนีย เอาระวังกระแวยคนละอันกันนะถ้าเรื่องอื่นๆทั่วๆไปก็ควรระวังให้ดีแต่ก็ไม่ใช่ระแวงแต่พระรัตนตรัยไม่ควรระแวงสรุปทบทวนนะว่าความสงสยัยสงสัยมีกี่อย่างนะสงสัยในคาถาขวามือสงสยัยขอัยซ้ายมือสิเนาะความสงสัยมีอะไรบ้างสงสอัตภาพนี้อัตภาพอื่น สงสัยในความรู้ของตนสงสัยในความรู้ของผู้อื่นเขาบอกว่าอิทหัวหุรังอิทห์นี่แปลว่าตรงนี้บอกว่าอัตภาพตัวเองหุรังก็คืออัตภาพอื่นความว่าความสงสัยในอัตภาพนี้คือสงสัยในอัตภาพที่เป็นปัจจุบันนี้ที่เกิดขึ้นโดยนายเป็นต้นว่าเราย่อมมีหรือเราย่อมเป็นหรือเนอหรือว่าเราไม่เป็นเราเป็นอะไรแล้วเป็นอย่างไรเนี่ยนะเป็นต้นเนี่ยก็สงสัยไปเรื่อย หรือสงสัยในอัตภาพอื่นคือสงสัยในอัตภาพที่เป็นอดีตว่าอดีตเราเป็นอย่างไรนอสงสัยในอัตภาพที่เป็นอนาคตต่อไปว่าอดีตการอันยาวนานเนี่ยเป็นอย่างไรเนาเพราะความสงสัยอัตภาพนี้อัตภาพอื่นก็คือสงสัยในอดี ต, ตอนาคตและปัจจุบันเท่ากับสงสัยสามอย่างนั่นเองบทว่าสกเวทิยาวาประเวทิยาวาความว่า ความสงสัยนั้นคือความเคลือบแคลงอย่างใดอย่างหนึ่งในความรู้ของตนที่จะพึงได้คือที่เป็นไปออที่เป็นไปโดยเป็นอารมณ์ในอัตภาพของตนอย่างนี้คือโดยในดังกล่าวแล้วหรือในความรู้ของผู้อื่นที่พึงได้ในอัตภาพของผู้อื่นที่จะพึงได้ได้แก่ที่เป็นไปในอัตภาพอันสูงสุดโดยในเป็นต้นว่าเป็นพระพุทธเจ้าหรือนอหรือว่าไม่เป็น คือในโลกของความสงสัยเนี่ยมันสงสัยเรื่องของตัวเองใช่ไหมสงสัยว่า อ, ي, อดีตเราเคยมีหรือเนาะอนาคตเราจกมีหรือเนาะปัจจุบันเราเป็นอย่างไรเนาะเราเป็นอะไรเนาะบางทีมก็สงสัยเรื่องคนอื่นอีกเหมือนกันใช่ไหมคนอื่นเนี่ยเขาเคยมีหรือเนาะเขาจักเป็นหรือเนาะเป็นต้นเนี่ยก็สงสัยไปหรือสงสัยแม้กระทั่งสูงไอ้พระพุทธเจ้าเป็นพระพุทธเจ้าจริงหรือพระธรรมที่พระพุทธเจ้าสอนเนี่ยสอนให้ออกจากทุกจริงหรือเรียวกว่า สงสัยในความรู้ของตนบ้างสงสัยในความรู้ของผู้อื่นบ้างเช่นสงสัยแม้กระทั่งในความรู้ของพระพุทธเจ้าพระองค์รู้จริงหรือเนี่ยนะสมัยก่อนนี่เขาไปทดลองพระพุทธเจ้าวาเออพระพุทธเจ้ารู้จริงหรือเปล่าในเรื่องนี้เดี๋ยวจะมีข้างหน้าเนี่ยนะพระเจ้าประเสนที่โกศลเรียกว่าอาศัยเหตุการณ์อันเดียวเนี่ยเพื่อทดลองว่าพระพุทธเจ้าเป็นสัพพัญญูจริงหรือเปล่าอะไรเขาอยากทดลองดูเหมือนกันนะเดี๋ยวจะมีสูตรต่อต่อไป บทว่าชายิโนตาปัชฉหันติสพภาอาตาปิโนบรัมจรียงจารันต า, นตาสังเกตดูนะว่าที่บอกว่าผู้เพ่งพินิษมีความเพียรประพฤติพรหมจรรย์ใช่ไหมเพ่งพินิษมาจากคำว่าชายิโนคุณธรรมที่ที่จะทำให้ละความสงสัยนะหนึ่งชายิโนสองอาตาปิโนสบรัมมจรียง ที่ที่กล่าวไปเมื่อกี้นะสามคำเนี่ยความว่าชนเหล่าใดชื่อว่าผู้เพ่งฌานชาญ โ, โนเนี่ยนะเชิเพ่งฌานไม่ว่าจะเป็นอารัมมานุปนิชฌานคือวิปสมถะและลักคนุปนิชฌานคือวิปัสสนาเหนไนะอันนี้คือการเจริญวิปัสสนาเนี่ยนะอันนี้คือคุณธรรมที่จะทําให้ละความสงสัยคุณธรรมที่จะทําให้ละความสงสัยคือสมถะและ วิปั ส, สนาท่านคำว่าเพ่งพินิษคือการเจริญสมถะและวิปั ส, สนานั่นเองต่อไปอาตาปีโนอาตาปีโนเชื่อว่ามีความเพียรเพราะสมบูรณ์ด้วยสัมมประธานสี่ประพฤติอยู่อันนี้แหละเรียกว่าอาตาปีโนต่อไปก็บ ร, รมจรยังใช่หัหยคือมัคคพรมจันทร์มัคคพรมจันท ร, ร์นี้ตั้งอยู่ใน ปฐมมัมมักต่างโดยประเภทแห่งสัท ธ, ธานุสาวรีเป็นต้นย่อมละคือย่อมตัดเด็ดขาดซึ่งความสงสัยทั้งปวงในขณะแห่งมักคือโสดาปฏิมักมันคุณธรรมที่จะทําให้ตัดความสงสัยเด็ดขาดคือฌานฌานคือสมถะและวิปัสสนาสมถะวิปัสสนาจะเป็นไปได้ต้องอาศัยอะไรอะไรคำจุนให้สมถะวิปัสสนาจเจริญได้ต่อเนื่องและยืดยาวอาตาปีคือความเพียร ทีนี้เพียรนี่ต้องเพียรแค่ไหนแค่ไหนจึงจะพอที่พรหมจันทร์คืออริยมรรคเลยนะเพียรจนกว่าอริยมรรคเกิดขึ้นนั่นแหละจึงจะสมบูรณ์จึงจะเพียงพอเพราะฉะนั้นพรหมขอไปสมมติฐานมีเฉพาะในขณะมรรคไม่เรียกในขณะผลไม่เรียกสมมติสมมตานเพราะสมมติฐานจะเต็มเตี่ยมในขณะอริยมรรคโดยเฉพาะอรหัตตมรรคแล้วนั่นแหละ ก็ต่อแต่นั้นก็เป็นอันเชื่อว่าคนเหล่านั้นละความสงสัยเหล่านั้นเสียได้นะสมถาวิปัสนาอาศัยความเพียรอุปธรรมปฏิบัติจนเจริญอริยมรรคกาจัดความสงสัยได้เด็ดขาดเพราะฉะนั้นจริงอธิบายว่าการละความสงสัยเหล่าอื่นจากนี้ได้เด็ดขาดทีนี้ต่อไปก็ชมเชยพระผู้มีพระภาคเจ้าเมื่อจะทรงชมเชยการบรรลุอริยมรรคของท่านกังขาริวตะโดยฌาน ชานามก ค, คือการยกทานชาญขึ้นเป็นประธานน่นะชาญคือสมถาวิปัสนาและก็เปล่งอุทานด้วยอำนาจการชมเชยด้วยเหตุ น, นั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงตรัสสถาปนาท่านพระกังขาเรวัตตะไว้ในเอตะทะคะเอตะทะคะก็คือความเป็นผู้เลิศเนี่ยนะความเป็นผู้เลิศโดยความเป็นผู้มีชาญดูกริพ่สทั้งหลายบรรดาภิกษุผู้สาวกของเราผู้มีชาญ หรือผู้เพ่งฌานเนี่ยนะผู้เพ่งฌานเนี่ยกังขาเรวตะเป็นเลิศผู้เพ่งด้วยอำนาจสมถาวิปัสนาเนี่ยนะกังขาเรวตะเลิศกว่าเพื่อนอเพราะว่าถ้าไม่เพ่งจริงๆเนี่ยจะตัดความสงสัยได้ไหมคนที่สงสัยเนี่ยจะต้องเป็นนักเพ่งนักใไขควนอย่างมากจึงจะกําจัดความสงสัยได้ถ้าไม่เพ่งจริงๆเนี่ยเดี๋ยวก็เอ๊ยยังไงนะเอ๊ะ อ, อยู่นั่นแหนนะเนาะความสงสัยเนี่ยนะถ้าปล่อยให้มันเกิดขึ้นบ่อยๆเนี่ยนะ บางคนเนี่ยเขาเรียกว่าสงสัยมีอยู่สองประเภทสงสัยแบบอกุศลกับภาษาไทยภาษาไทยเขาเรียกว่าสงสัยบางอย่างในภาษาไทยนี่หมายเขาว่าไฟรู้คําว่าสงสัยนะแต่ว่าสงสัยที่กําลังพูดถึงเนี่ยมันเป็นความสงสัยเช่นสงสัยในวัตถุ16สงสัยในวัตถุ8ความสงสัยเหล่านี้เนี่ยเป็นเหตุให้ไม่เจริญงอกงามในกุศลแต่ความสงสัยบางอย่าง เพิ่มพูนในกุศล น, นะศรัทธาที่เอ่อความสงสัยที่เพิ่มพูนในกุศลนี่เป็นยังไงก็คือความสงสัยว่าเออเราจะเจริญถ้าทำให้ยิ่งยิ่งขึ้นไปกว่านี้ได้อย่างไรอันนี้เหมือนสงสัยใช่ไหมแต่เป็นความสงสัยที่ ท, ที่ดีเขาเรียกว่าวิจิกิจฉาปฏิรูปกะเนี่ยนะเป็นเป็นความสงสัยที่ไม่ได้เป็นเป็นวิจิกิจฉาที่เป็นอกุศลอะไรแต่เป็นการเอ่อ เ, เรียกว่า าภาษาพระอานุนเป็นต้นท่านก็สงสัยแบบนี้บ่อยๆแต่ก็ไม่เรียกว่าวิจิกิจฉาเพราะเป็นเหตุให้กุศลเจริญนั้นการเหมือนสงสัยที่เป็นเหตุให้กุศลเจริญน่ยนะความสงสัยที่ทําให้กุศลเจริญไม่เรียกว่าวิจิกิจฉาในที่นี้แต่ถ้าความสงสัยที่บันทอนในการเจริญกุศลที่เรียกว่าเป็นนิวรณ์อันนั้นเป็นวิจิกิจฉาที่เป็นอกุศลเป็นสิ่งที่ควรละเพราะมีโทษเนี่ยนะ ก็แยกเอานะบางคนก็เลยทําเป็นไม่กล้าสงสัยอะไรสักอย่างเดียวเลยนะไม่รู้สักอย่างทําเป็นไม่สนใจกลบกทื่นตัวเองตลอดเวลาดูเหมือนเข้าใจแจ่มแจ้งไปหมดเลยทําตัวเป็นเหมือนไม่สงสัยทั้งๆ ท, ที่สงสัยทั้งทั้ที่ไม่เข้าใจนะสํเนาไม่ใช่ไม่ใช่สงสัยทั้งๆที่ไม่เข้าใจแต่ทําเป็นเหมือนไม่สงสัยเพราันไอการถามเพื่อความเข้าใจเพิ่มไม่ใช่ลักษณะสงสัยที่เป็นมิจฉิจรา แต่เพื่อการเพิ่มพูนแห่งศรัทธาเพิ่มพูนสติปัญญาเป็นต้นถ้าอย่างนี้เนี่ยควรตั้งเรียกว่าปุจชาเนี่ยนะเป็นการลักษณะการปุชชาปุจชากับวิจิกิจฉาโคลนอันกนนะเพราะปุจชาเนี่ยคำถามบางอย่างถามเพื่อเพื่ออะไรถามเพื่อเพิ่มพูนสติและปัญญาถามเพื่อเพิ่มพูนความรู้การถามเพื่อเพิ่มพูนความรู้เป็นสิ่งที่ดีแต่ถ้าคาถามบางอย่างถ้าถามอยู่บนพื้นฐานวิจิกิจฉา เขาบอกว่าไอ้ตรงนี้เนี่ยคนตอบนี่จะแยกออกว่า น, นะถ้าถามถูกคนอ่ะนะเขาจะแยกออกว่าคําถามแบบนี้ถามเพื่อเพิ่มพูนศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญาหรือถามเพื่อเพิ่มพูนวิจิกิจฉาถามเพื่อเพิ่มพูนอุทจักกุกุจกเขาสามารถตอบได้เลยว่าคําถามประเภทนี้เกื้อกูลต่ออุทจักกุกุจกหรือเพิ่มพูนศนระัทธาถามว่าเอาอะไรเป็นเครื่องแยก ก็อยู่บอกคําถามใดที่ไม่ได้ส่งเสริมกุศลธรรมคําถามเหล่านั้นไม่ได้เพิ่มพูนศรัทธาแต่ทีนี้คําถามที่เพิ่มพูนศรัทธาเป็นต้นเนี่ยเราก็ต้องมาวัดดูว่าเมื่อเราถามคําถามอันนี้แล้วเราเลื่อมใสในพระพุทธเจ้าเพิ่มใช่ไหมถ้าเราสิ่งที่เราสมมติถ้าเราสงสัยนะมาตั้งถามนะถ้าเราสงสัยแบบนี้นะเลื่อมใสในพระพุทธเจ้าเพิ่มใช่ไหมเลื่อมใสในพระธรรมเพิ่มใช่ไหมเลื่อมใสใน พระสงฆเพิ่มใช่ไหมศีลเราดีขึ้นใช่ไหมทีไรโอตปะเรามากขึ้นใช่ไหมสติสัมปชัญญะเราบริบูรณ์มากขึ้นปัญญาเห็นอริยสัจมากขึ้นเลยใช่ไหมถ้าสงสัยแบบนี้ควรสงสัยเพราะถ้าตอบคําถามเหล่านี้ได้กูสอธรรมเจริญอย่างเดียวแต่ถ้าถามตั้งคําถามเพื่อกวนนาให้คุณว่าฉันนี่เก่งมากสาสามารถถามจนคนตอบไปได้ถามซะวุ่นวายกันทั้งบ้านทั้งเมืองทั้งห้องไปหมดถ้าอย่างนี้ก็ เขารยกอะไรรู้ไหมเขาเรียกว่าโปรยหยากเยื่อซะจนทุกคนเนี่ยมาช่วยกันทําความสะอาดเต็มห้องไปหมดเลยถ้าอย่างนั้นเนี่ยก็ต้องดูไอ้ทีว่าคําถามเนี่ยสพภาษาชาวสมัยใหม่ก็ใช้กำว่าคําถามสร้างสรรค์หรือไม่นะก็ดูตรงนั้นคําถามบางอย่างไม่ท่นไม่น่าถามเช่นพ่อกับแม่ใครดีกว่ากันผู้หญิงกับผู้ชายสรุปว่าใครประเสริฐกว่ากันมกบางคําถามไม่น่าถามเลยถามแล้วถ้าตอบชนะก็ไม่รู้ว่าได้ประโยชน์ตรงไหน ตาซ้ายกับตาขวาไหนดีกักนท่านหน้าถามไหมบอกก็ใครเขา้าชใจครอบชอบถามแบบนั้นเนี่ยสาธุ้วยบุญกุศลใดที่ได้ทำแล้วเขาให้ห่างๆกันนะี่เยอะนะบอกว่าอะไรนะถ้าคือคือให้อยู่ตรงกันข้ามคนละโลกกันเลยนะเดินสวนกันตลอดเลยถ้าอยู่บนถนนก็คนละเลนคนละฟากแลยสวนทางกันตลอดเพราะมันนะ่ากลัวมากถามแล้วส่งเสริมความฟุ้งซ่านเป็นต้นเนี่ยนะ ต, ต้องแยกแยะให้ดี ที่พูดเนี่ยไม่ใช่ว่าไม่ต้องการให้มีการถามเป็นต้นแต่คนที่ถามเนี่ยจะต้องเข้าใจกฎเกณฑ์กติกากติกาว่าเมื่อถามแล้วศรัทธารอยพระรัตนไตรยเพิ่มใช่ไหมสรุปว่าถามและสติปทานเพิ่มพูนยิ่งยิ่งขึ้นไปสัมมาปทานเพิ่มพูนยิ่งยิ่งขึ้นไปอิทิบาทอินทรีย์พล ะ, ระโพชงองค์มัชเจริญอย่างเดียวบรรลุนิพพานเนี่ยทักตอบคําถามอันนี้ได้ควรถาม แต่ถ้าไม่อย่างนั้นเนี่ยนะนั่งเฉยๆนั่นแหละดีที่สุดนะคำว่าเฉยเนี่ยเฉยด้วยอะไรดีอั ญ, ญญาณอุเบขาหรือว่าเฉยด้วยวิปัสสนุเปขาก็เบข า, าก็หลายอย่างนะก็ว่าไปเถอะแต่ว่าสรุปว่านั่งนิ่งๆอ่ะดีที่สุดเหือนนเถอะพูดอย่างเงี้ยก็สกัดจุดไม่ให้คนอื่นถามตัวเองมั่งนี่ตอบเข้าไม่ได้ที่ที่ใช่มังอย่างก็ตอบไม่ได้กอามาตอบไม่ได้เรา นะพอตอบแล้วคนถามจะโกรธแล้วก็เลยไม่กล้าตอบก็เลยบอกว่าตอบไม่ได้นะพอตอบแล้วคนถามจะโกรธทันทีเลย